บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะที่ทรงแสดงโดยธาตุมีลินน้ำไฟลมเป็นต้นนั้นมาเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาธรรมะของบุคคลทั่วไปทรงแสดงไว้โดยนิยามเป็นนั่นเอง บางครั้งก็แสดงในแนวที่ขอให้เกิดกุศลเช่นกล่าวถึงไฟคือความเพียรที่เรียกว่าอาตาปะเป็นต้นบางครั้งก็แสดงในแนวของเป็นการก่อให้เกิดทุกข์โทษขึ้นด้วยประการต่างๆและมีอีกแนวหนึ่งจึงทรงอาศัยไฟไม้ป่ามาเป็นอุปมาในการศึกษาปฏิบัติธรรมของบุคคลทั้งหลาย คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ผ่านหุนทางแห่งหนึ่งที่ไฟป่ากำลังลุกไหม้ต้นไม้อยู่เป็นนั้นมากพระพุทมีพระภาคเจ้าก็หยุดในที่นั้นและรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายดูกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทรงเจเห็นว่าไฟที่กำลังลุกไหม้นั้น ก็จะไหม้ไปโดยลำดับเริ่มต้นก็อาจจะไหม้ของเล็กๆไปก่อนและในที่สุดจะไหม้จะล้างผลาญจะทำลายได้แม้แต่ของใหญ่คือทำลายป่าทั้งสิ้นได้แล้วก็สงสอนให้มองย้อนกลับมาที่ตัวบุคคลว่าอากุศลทุจริตต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้ว มาเริ่มตั้งขึ้นภายในจิตจะทำให้จิตของบุคคลมีความคิดผิดพอคิดผิดก็มีความเห็นผิดจากความคิดเห็นที่ผิดนี่เองก็นาไปสู่ทุจริตด้วยประการต่างๆทั้งทางกายทั้งทางวาจาในประสูนนั้นทรงเริ่มที่การละเมิดศีลสิกขาบททั้งหลาย้ อ, อนี้เพิงสังเกตว่า การสมาทานสีนั้นที่ท่านเรียกว่าเป็นสิกขาคือเป็น9ก้าหนึ่งของการศึกษาสิกขาบทสองสิขาบทก็ชื่อว่าเดินไป29ก้าสสิกขาบทก็3าก้าและจะเดินเรื่อยไปจนถึงจุดหมายปลายทางจากสิกขาบทที่บุคคลได้รับได้สมาทานไป น, นั้นเป็นการทวนกระแสพฤติกรรม คือความรู้สึกนึกคิดของตนและการกระทาของตนที่ท่านแสดงลักษณะของศีลไว้ว่าคือปกติกายปกติวาจาแต่โดยพื้นฐานจริงๆแล้วภายในจิตใจของบุคคลมีมีอกุศลทุจริตอยู่มากบ้างน้อยบ้างคนนี้ก็กลายเป็นแรงที่ผลักดันไม่ไม่ให้บุคคลสามารถทวนกระแสของอารมณ์ขึ้นไปได้ ดังนั้นเวลาสมาทานศีลหรือรักษาศีลบางครั้งบางคราวก็จะเกิดเงื่อนไขต่อรองขึ้นมาลักษณะที่ธนุถนอมตัวเองเข้าข้างตัวเองและเห็นแก่ตัวเองอาจจะมีการประพฤติละเมิดเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆธรรมดาไปตัวอย่างเช่นในกรณีของการฆ่าสัตว์หรือไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ เพราะยังคุ้มครองจิตใจไว้ได้คุ้มครองอาการกายวิ จ, จารไปได้แต่จะมีการกระทําในลักษณะเบียดเบียนสัตว์ประทุษร้ายสัตว์อาจจะทุบตีสัตว์เป็นต้นแต่ไม่ถึงกับตายจากการกระทําเหล่านี้ดูแล้วคล้ายๆจะไม่รุนแรงคือไม่ผิดศีลแต่ในแง่ของศีลท่านถือว่าทําให้ศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุปไป ผลที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็คือความเข้มเกรียมขึ้นทีละนิดทีละหน่อยแล้วพอถึงจุดเติงเมื่อกระทําบ่อยๆคือจะหยุดได้เฉพาะการฆ่าสัตว์แต่การเบียดเบียนสัตว์การรังแกสัตว์ประทุษร้ายสัตว์ก็หยุดไม่ได้เมื่อกระทําบ่อยๆความรุนแรงของกิเลสสารนี้ก็จะบังเกิดขึ้นในที่สุดก็ละเมิดได้แม้ในส่วนร่างกายของคน อ, อย่างที่มีครา ว, ราวถึงบุคคลผู้หนึ่งถึงมีอาชีพในการฆ่าไก่ในโรงงานแกฆ่าของแกเป็นปกติธรรมดาวิ่ๆไปโดยไม่ได้เฉลียวใจว่าทุกครั้งที่ฆ่านั้นจิตตุปบาทคือการเกิดขึ้นแห่งจิตเป็นเจตนาให้ฆ่าสัตว์นั้นมันเพิ่มความรุนแรงทั้งในด้านโลก ก็าต้องการทำงานให้ได้มากได้เงินมากบางครั้งบางคราวกลายดิ้นมันก็กลายเป็นโทสะขึ้นมาเพราะเชื้อโทสะเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละหน่อยกิเลสสายโมหะคือความหลงก็มืดบอดมากขึ้นทุกทีความเยียบเกรียมที่สะสมไว้ภายในจิตใจนั้นในที่สุดก็รุนแรงออกมาจนถึงกับฆ่าคนได้โดยไม่รู้สึกเดือดร้อนผิดปกติแต่ประการใด ตอนนี้เพราะผ่านการฆ่าไก่มาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าการที่บุคคลศึกษาสมาทานศีลคาบททั้งหลายแล้วปาะกาศการสำรวมระวังหรือการระมัดระวังมีความมั่นคงอยู่ในศีลในที่สุดจะประพฤติในลักษณะที่ไม่ถึงขาดศีลก่อนแต่ําให้ศีลด่างศีลพลอยไป หรือถ้าหากว่าเป็นศีลที่ประนีตขึ้นมากขึ้นคือจะต้องอาบาัตเล็กๆก่อนอาบัต ท, ที่มีโทษไม่มากนักแต่เมื่อกระทารู้สึกว่าเป็นชินเป็นนิสยัยในความกระดากอายความสะดุ้งกลัวต่อผลบาปก็จะน้อยลงเพราะทุกครั้งที่กระทาทุกครั้งที่เราเมิสศีลแ่านั้นมันเกิดอกุศลขึ้นมาปิดบงัง ฮิริโอตปะเอาไว้ในที่สุดมันก็ล่วงที่ทรงใชก้กำว่าสีขาบทน้อยใหญ่คือน้อยก็ล่วงได้ใหญ่ก็ล่วงได้และนานไปนานไปก็ไม่อาจที่จะรักษาคุณธรรมคือศีลไว้ได้เมื่อรักษาในชั้นศีลไม่ได้ก็ป่วยการป่วยการที่จะกล่าวถึงคุณธรรมเบืงสูงขึ้นไปจากการเริ่มที่ผิดเพียงจุดเดียวคือความคิดที่ผิด แล้วกระจายตัวเองออกไปเป็นความผิดทางกายทางวาจาจากจุดเล็กๆเรื่อยไปอละในที่สุดก็เป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตอนเนกนันไม่ใช่หยุดเพียงเท่านั้นแต่เป็นการหยุดพบชาติที่ประณีตของตนเอาไว้เพราะความเห็นบางประการที่เกิดขึ้นภายในจิตนัน้นมีความเห็นอยู่สองกลุ่มด้วยกัน ที่ทรงแสดงว่าเป็นสักคาวรคือห้ามสวรรค์หมายความว่าถ้าบุคคลยังมีความเห็นอย่างนั้นและประพฤติปฏิบัติไปตามความเห็นเช่นนั้น<ม>ก็จะเป็นการสะสมบาปสะสมอกุศลทุจริตมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็ปิดประตูสวรรค์ที่ก็สักคาวรคือห้ามสวรรค์เอาไว้แต่จะถามว่าใครเป็นคนห้าม คืออกุศลที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้คิดผิดมีความเห็นผิดนั่นเองแล้วจะดึงผิดส่วนอื่นขึ้นมาโดยลำดับในที่สุดอาการกายวาจาใจของตนก็ตกต่ำตกต่ำก็ขึ้นสู่สวรรค์ไม่ได้บางคราว บ, บางคาวก็แรงไปจนถึงที่เรียกว่ามรคาวอนหรือห้ามมรรคผลนิพพานกันเลยมันขึ้นไม่ได้ต่ากว่า น, นั้นไปอีก ดังนั้นหลักการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นกุศลและธรรมมีลักษณะขัดเกลาคือขัดเกล็กิเลสทำให้กิเลสเจือจางเบาบางลงไปแต่มองอีกแงอีกด้านหนึ่งอีกแง่หนึ่งอคุศลธรรมเองก็แกก็ขัดเกลวเหมือนกันแต่เป็นขัดเกลวความดีให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลาดับและในที่สุดก็จะเหลืออยู่แต่ความไม่ดี ต่ความดีน้อยลงความไม่ดีมากขึ้นบุคคลก็อาจจะอาศัยบทเปลี่ยนจากสถานที่ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆและแม้แต่กองไฟอย่างที่ทรงอุปมาไฟกำลังไม้ป่ามันไหม้ได้ไปเรื่อยๆซึ่งบางจุดเริ่มต้นก็อาจจะจากไฟเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ไหม้ป่าทั้งป่าไปได้ไหม้บ้านทั้งบ้านได้ไหม้เมืองทั้งเมืองได้ จุดสำคัญในการประพฤติปฏิบัติก็จึงอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของจิตใจเราทำอย่างไรจึงจะคุมความคิดจิตใจให้อยู่ในหลักของความเห็นชอบความดำริชอบได้เพราะพฤติกรรมทั้งหมดนั้นเป็นการสะท้อนไปจากจุดนี้คือถ้าเห็นผิดคิดผิด <c oughs> ทุกอย่างที่ผิดก็จะติดตามมาแต่เห็นถูกพูดถูกทุกอย่างที่ถูกก็จะติดตามมา นในกรณีของการสํารวมระวังรักษาศีลสีขาบ ท, ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้มันเกิดขึ้นมาจากความคิดชอบความเห็นชอบมองเห็นคุณของความเป็นผู้มีศีลมองเห็นโทษของความเป็นผู้ไม่มีศีลทั้ทงที่เป็นไปในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคต แน่อนในอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจะมีผลสมบูรณ์อย่างที่ท่านแสดงไว้หรือไม่แต่เนื่องจากความศรัทธามั่นคงอันยังลงในคุณของพระพุทธเจ้าในการศัตรูของพระพุทธเจ้าก็ทําให้บุคคลได้ฝากฝังความหวังทั้งหมดเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าส่วนที่พิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ได้กันไปแตอ่อย่าลืมไม่จุดสําคัญนั้นอยู่ที่ความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว แล้พยายามคิดไปตามแนวปริยัติคือเรื่องที่ได้ศึกษาและเรียดมาความเข้าใจความทราบซึ้งก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับอย่างในกรณีของการรักษาสีนถ้าบุคคลมองเห็นทั้งด้านคุณและด้านโทษในด้านที่เป็นคุณนั้นทรงแสดงว่าบุคคลผู้สมาทานสีนรักษาสินให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ย่อมจะเป็นผู้มากด้วยโภกรัพย์คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจในการได้มาในการถือครองในการบริโภคใช้สอยข้อนี้จะต้องมองให้ซึ้งลงไปในจุดของโภกรัพั์ที่ตนได้มาจะพบว่าโภกระสย์ที่ได้มาด้วยการทุจริตช่อกงหรือการกระทําผิดเราอื่นแล้วได้มา อาจจะเป็นวัตถุพัสดุสิ่งของเป็นชิ้นเป็นอันที่สัมผัสน่าจับต้องได้มองเห็นได้แต่ความสุขในการสแสวงหาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมีความสะดุง้งมีความหวาดระแวงมีความกลัวในการถือครองอยู่ก็ไม่มีความมั่นใจมีความไม่ปฏิสานใจคือเดือดร้อนใจในการบริโภคใช้สอยก็ไม่ให้ความภาคภูมิใจความกระยิมใจว่า สิ่งที่บริโภคกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของเราเป็นการเลี้ยงดูครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยทางที่ชอบทำแต่จะรู้สึกตะกิดตะขวงใจวาดวันใจลูกเต้ารูข้าวตัวเองก็อาจจะถูกดูถูกดูหมิ่นแม้จากลูกเต้าของตัวนี่ก็มองเห็นกันได้ว่าการแสวงหาในทางทุจริตนั้นก็ได้ในด้านวัตถุสิ่งของจริงๆ เพราะในทำนองตรงกันข้ามคือถ้าเราได้มาด้วยทางสุจริตมันก็เป็นวัตถุสิ่งของเหมือนกันแต่วัตถุสิ่งของที่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นในการสแสวงหาก็สแสวงหาด้วยความสุขความสงบไม่ต้องหวาดระแวงมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการถือครองก็มีความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นในการบริโภคใช้สอยก็บริโภคใช้สอยด้วยความภาคภูมิด้วยความทรนทด้วยความเชื่อมัน่น ไม่ต้องกลัวการโจดทวงไม่มีกไม่มีความวิปัสสนาใจในการสแสวงหาในการถือครองและในการบริโภคใช้สอยแม้ลูกตาจะรู้ญาติพี่น้องจะรู้นั่นก็คือความภาคภูมิใจที่ลูกต้าเหล่านั้นจะได้รับจะยกย่องสรงเสริญตนเป็นตนนี่เป็นผลที่ต้องคิดให้ซึ้งแล้วมองเห็นกันได้เพราะตะมองในแง่ของเป็นโภกกสมบัติเฉยๆโมยเขาก็ได้โภกสมบัติ ทำงานก็ได้พวกสมบัติแต่ถ้ามองผลในด้านจิตใจมองผลในด้านสังคมมองผลในด้านการบันดาลแห่งกรรมแล้วบุคคลจะเห็นได้ชัดเจนว่าศีลนี้มีคุณจริงเมื่อเห็นได้คิดได้เช่นนี้กุศลและเจตนาที่จะสมาทานศีลรักษาศีลก็บังเกิดขึ้นฤทธิสงแสดงไว้ว่าเกียรติคุณนันดีงามของบุคคลนั้นย่อมฟุ้งกระจอยไปได้ทั้งทวนลวมและตามลม เรื่องการทวนลมตามลมนั้นที่จริงความชั่วงกฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมแต่ปัญหาว่ากลิ่นเช่นนั้นกลิ่นเหม็นกลิ่นต่างๆไม่มีใครต้องการที่จะสูดดมไม่มีใครต้องการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าเกียรติคุณที่ดีงามนั้นเป็นที่ต้องการปรารถนาของบุคคลทั้งหลายเป็นการสร้างจันทะอุตสาหาให้เกิดขึ้นภายในจิตสานึกของบุคคล ที่ได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณเหล่านั้นจะถือท่านเหล่านั้นเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตซึ่งแนวเหล่านี้จะพบว่าในยุคในสมัยของพระพุทธเจ้านั้นเกียรติคุณอันดีงามของบุคคลทั้งหลายบางครั้งก็มีการประกาศมีการเล่าลือกันในหมู่คนทั่วไปแต่บางครั้งพระพุทธเจ้ารับมายกย่องเชิดชูเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นคนอื่น ให้ถือเป็นแบบอย่างให้เอาอย่างการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นดังนั้นการที่บุคคลสมาธานศีลเริ่มมาจากความคิดความเห็นที่ชอบมันก็เดินหน้ามาเป็นกุศลสุจริตต่างๆอีประการหนึ่งก็คือคุณภาพของจิตที่แสดงความองอาจกล้าหาญไม่คั่นคลามมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะไปในสมาคมใดก็ตามเกี่ยวข้องกับใครก็ตาม เป็นเรื่องที่บุคคลอาจวิเคราะห์ผลด้วยตัวเองได้ลองดูถ้าตัวมีจุดบกพร่องอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าในการกระทาหรือในเรื่องของความคิดหรือแม้ในเรื่องของคาพูดเวลาเข้าไปในสมาคมใดนั้นจะไม่มีความเชื่อมัน่นตัวอย่างเช่นบุคคลที่มีความคิดเห็นปฏิเสธกฎเกณฑ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ เมื่อเข้าไปในหมู่ของสัตว์บุรุษที่พูดยุติด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาเทียบเคียงกับความคิดความเห็นของตอนเห็นตมาขัดแย้งกันก็จะเกิดความวมพิจิตรสารไม่สบายใจไม่มั่นใจแม้แต่จะพูด จ, จาออกมาก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเป็นต้นแต่สําหรับบุคคลที่มีความมั่นคงในศีลในธรรมแล้วจะองค์อาจกล้าหาญไม่ขั้นคลั่งขำเกรง แม้จะเข้าไปอยู่ในภาวะที่เกิดความขัดแย้งกลุ่มหนึ่งมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่อาศัยที่ตนมีฐานคือศีลเป็นตัวข้ามยันความประพฤติเอาไว้มีความเห็นที่ยุติด้วยหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความคิดที่ยุติด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้ามองเปรียบเทียบบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าพระพุทธเจ้าสูงกว่าประเสริฐกว่าด้วยประการทั้งปวงพระกรให้เกิดปีติโสมนัตขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น ส่วนผลที่สืบเนื่องกันมาเช่นการที่ทําให้ไปบังเกิดในสุกติก็ดีบรรลุมรรคผลนิพพานก็ดีหรือการไม่หลงทํากาลกิริยาตา ย, ายไปแล้วบังเกิดในสุกตินั้นเป็นผลซึ่งเรายังไม่สัมผัสในปัจจุบันแต่นิพพานยังอ่อนอ่อนที่เกิดขึ้ น, นจากการรักษาศีลเราก็สัมผัสกันได้เช่นกุศลเจตนาเป็นเหตุงดเว้นไม่ละเมิดในศีลทั้งห้าข้อ มันก็เป็นการดับอกุศลจิตที่เกิดขึ้นจะลักเกิดขึ้นจะฆ่าเกิดขึ้นจะละเมิดทางประเวณนี้เกิดขึ้นจะคิดพูดเท็จหรือพูดคําหยาบออกไปหรือว่าเกิดขึ้นจะดื่มสุามราเมรัยเป็นต้นมันก็ดับกิเลสในส่วนนั้นได้เป็นความสุขความสงบความเยือกเย็นที่บุคคลสัมผัสได้ในดับหนึง่งความ คิดความเห็นจึงเป็นฐานเบื้องต้นที่ทำให้บุคคลรักษาศีลเอาไว้ได้อย่างมั่นคงเมื่อศีลกลายเป็นฐานเช่นนี้เวลาเดินเข้าไปในสมาธิก็เดินไปได้เพราะศีลเป็นหลักอยู่แต่ถ้าศีลเสียหลักไปจะเดินสมาธิใจก็จะสงบไปได้เพราะว่าเวลาใจที่เริ่มสงบนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับการมองผ้าขาว ไอจุดดำจุดด่างแม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็จะเห็นได้ง่ายนันเหมือนกับไรมันเหมือนกับการมองภาพโดยการเพ่งพินิษกับมองภาพนั่งรถนั่งยานพาหนะมองเราจะมองเห็นรายละเอียดในภาพนั้นไม่เหมือนกันถ้าเพ่งพินิษจะเห็นจุดบกพร่องต่างๆอย่างละเอียดได้จุดดีจุดเด่นต่างๆอย่างละเอียดเหมือนกันแต่ถ้ามองฉาบฉวยมันก็เห็นอย่างฉาบฉวยศีลจึงกลายเป็นฐานของสมาธิ ที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเป็นความสงบขึ้นมาได้ถ้าศีลมันเกิดบกพร่องไปเวลาเราน้อมใจเข้าหาความสงบจิตก็จะกระตกกลับมาเพราะมองเห็นจุดบกพร่องในการละเมิดศีลในการไม่สามารถจะรักษาศีลไม่ได้ดังนั้นไฟในแนวนี้จึงเป็นการแสดงในแนวที่ให้บุคคลเห็นว่า อย่าให้เริ่มที่ความคิดผิดกับความเห็นผิดซึ่งเหมือนกับการจุดไฟขึ้น <c oughs> แม้เพียงกองเล็กๆน้อยๆในที่สุดก็จะลุก <c oughs> จะลุกไหม้ทำลายสิ่งต่างๆทั้งเล็กทั้งน้อยโดยลำดับเหมือนไฟที่เกิดขึ้นในป่าแล้วก็ลุกลามไหม้ป่าฉะนั้น <c oughs> ก็จะทำให้บุคคลมีความสารวมระวังมีการสังวรแม้แต่ว่า <c oughs> เรื่องลเล็กๆน้อยๆก็ตามอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้บุคคลสุนักได้คิดว่าบุคคลไม่ไ ม, <c oughs> ไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะบาปนั้นนจะมีการสะสมหมักมุมขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนหยาดฝนหรือหยดน้ำที่หยดลงมาทีละหยาดทีละนิดทีละหน่อย แต่วันในที่สุดมันก็ทําภาชนะที่รองรับให้เต็มได้ชั้นใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่เริ่มด้วยความยินดีในบาปแม้จะเป็นการเริ่มด้วยจุดเล็กๆน้อยๆแต่ในที่สุดก็จะเป็นการเพิ่มพูนบาปมาก้ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเริ่มที่ความคิดผิดกับความเห็นผิดความคิดผิดกับความเห็นผิดที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันแต่แสดงอาการต่อเนื่องกันเท่านั้น อะไเพราะเป็นลักษณะของการใช้ปัญญาเหมือนกันแต่ใช้ปัญญาในลักษณะที่ไม่กระจ่างชัดปัญญาอ่อนเกินไปไม่สามารถที่จะวินิจฉัยแยกแยะสิ่งต่างๆโดยเหตุด้วยผลได้ในที่สุดมันก็กลายเป็นความคิดผิดเป็นความเห็นผิดขึ้นมาพอเริ่มจากจุดนี้มันก็กลายเป็นการเพิ่มบาปเพิ่มมกุศลขึ้นทางกายทางวาจาดังกล่าวแล้ว ดังนั้นจุดนี้จึงถือว่าเป็นจุดใจในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะทางศ า, ศาสนาทุกขั้นตอนคอยสังเกตว่าองค์อริมักทั้งแปดประการนั้นรู้ทธเจ้าจเริ่มที่สัมมาทิฏฐินั่นก็คือความเห็นชอบแต่ที่จริงความเห็นชอบอันเป็นจุดเริ่มต้นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเต็มบริบูรณ์อะไรเป็นลักษณะของการเลี้ยวทางให้ถูกเท่านั้นเองต่อไปความถูกต้องก็จะเกิดขึ้นโดยลาดับ แต่ถ้าเริ่มที่ความเห็นผิดมันก็เดินได้เหมือนกันไม่ใช่เดินไม่ได้แต่จะเดินไปในทางที่ผิดอย่างที่ทรงแสดงสายแห่งการปฏิบัติสองสายซึ่งมีลักษณะขนานแต่ไม่มีจุดบรรจบเลยสายหนึ่งเริ่มจากความเห็นผิดพอเห็นผิดก็คิดผิดพอคิดผิดก็พูดผิดพูดผิดทําผิดทำผิดแล้วก็เลี้ยงชีวิตผิดพยายามผิดตั้งสติผิดความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นความสงบในทางที่ผิด เช่นความสงบของใครของบุคคลเรืองนามในทางประวัติศาสตร์เช่นรัสปูตินที่จริงแกก็เริ่มเป็นสม า, เ ป, สมาเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่เริ่มมาจากความเห็นผิดในกระบวนการเหล่านั้นเป็นเรื่องของความผิดทั้งหมดเมื่อเรื่องจากความเห็นผิดเช่นนี้ก็จบลงด้วยความอับปปยศความเสื่อมเสียเป็นสาบา ป, ประดับไว้กับโลกให้บุคคลรุ่นหลังได้มองได้พินิพิจารณาเห็นได้ หรือว่าอย่างการเริ่มจุดความคิดผิดของพระเทวทัตที่เป็นเรื่องซึ่งรู้กันโดยทั่วไปพระเทวทัตนั้นไม่ใช่เริ่มผิดจากจุดธรรมดาสามัญแต่ความเห็นผิดเกิดหลังจากท่านได้อภิญยาที่เป็นโลกิยะแล้วคือได้บรรลุฌานแล้วโดวยซ้ำไปแต่อาศัยแรงกระแทกกระทันของความอยากกับความโกรธที่บังเกิดขึ้นภายในใจ ความอยากกับความโกรธตอนนั้นแรงเกินไปจนเริ่มความคิดผิดต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นความดีทั้งหมดพังทลายลงมาเสือตอนนั้นแนวทางเดินของท่านก็เริ่มที่ความเห็นผิดคิดผิดเป็นกระบวนรไปเลยการกระทาชั่วหยาบรุนแรงด้วยประการต่างๆเกิดขึ้นโดยลำดับเริ่มขึ้นคราแรกก็ไม่แรงแต่แรงขึ้นมาเรื่อยๆแรงขึ้นมาจนเป็นทาร้ายพระพุทธเจ้า แรงจนถึงทำโลหิตตุปบัติเป็นการแรงภายหลังเมื่อจิตใจได้สะสมมกุศลทุจริตไปมากแล้วดังนั้นหลักการในทางศาสนาจึงแสดงทางอีกสายหนึ่งอย่างที่ทราบกันคือเริ่มที่สัมมาทิฏฐิให้ได้พอเริ่มได้ความคิดก็ชอบการพูดก็ชอบการงานก็ชอบการเลี้ยงชีวิตก็ชอบความพยายามก็ชอบการระลึกก็ชอบจิตใจตั้งมั่นชอบ ความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นแก่จิตก็จะเป็นความหลุดพ้นในทางที่ชอบความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้ผสมก ล, กลมคืนการแห่งอะไรมักมีองแป8ประการก็จะเป็นความรู้ที่ชอบบุคคลผู้นั้นก็สามารถบรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้ไฟคือกิเลส ท, ที่บางเกิดขึ้นภายในใจจะทาหน้าที่เผาผลาญใจไฟคือความเห็นผิดที่เกิดขึ้นภายในจิต ก็จะเผาผลาญจิตใจของบุคคลทำให้ทุกกระบวนนั้นเป็นความผิดเพิ่มบาปเพิ่มมศูคยลขึ้นเรื่อยไปบางครั้งแรงจนถึงปิดประตูสวรรค์ถ้าแรงมากกว่านั้นก็เป็นการปิดมรรคผลนิพพานดังกลาวแล้วสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาสังกัปปะจึงเป็นฐานของชีวิตสำหรับบุคคลทั้งหลายแม้ในธรรมะที่ทรงแสดงว่าเป็นมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทาคนให้เป็นมนุษย์ ใจุดใหญ่ใจความก็อยู่ที่ความเห็นชอบซึ่งเราแปลกันว่าความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมคือครองแห่งธรรมนั้นท่านแสดงไว้อย่างไรทั้งโดยเหตุโดยผลก็จับหลักเหล่านั้นเป็นแนวในการคิดในความเห็นในการพูดในการประพฤติธปฏิบัติชั้นหนึ่งก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองยกระดับ จิตใจของตัวเองให้อยู่เป็นมนุษย์ให้เป็นกัลยาณปุตุชนให้เป็นพระริยะโดยลําดับแต่ทหารก็เป็นอีกด้านหนึ่งคือความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมก็เป็นการเลี้ยวผิดในกระบวนการของความคิดความเห็นการกระทําก็จะเป็นเรื่องของความผิดตลอดแม้ในจุดของศีลจุดของทานจุดของธรรมะอย่างอื่นก็จะเป็นเช่นเดียวกัน การศึกษาเรียนรู้จากไฟในแนวนี้บุคคลสามารถที่จะดูไฟในจุดใดก็ได้จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นก็จะไหม้เชื้อเล็กๆไปได้ก่อนแต่พอความแรงสูงขึ้นสูงขึ้นจะไหม้เชื้อได้ใหญ่ขึ้นโดยลำดับอกุศุนทุจริตแม้เพียงจุดจิตตุ ป, ปบาทเดียวที่เกิดขึ้นภายในจิต ใ, ใจของบุคคลเริ่มหักที่ความผิดก็จะผิดไป มิจฉาทิฏฐิจึงเป็นโทษที่น่ากลัวมีความรุนแรงบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิที่มีคติเป็นอย่างเดียวจะไม่มีผลเป็นอย่างอื่นกลายเป็นหลักต่อแห่งวัตฏะอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิที่เกี่ยวกับกรรมสามประการปฏิเสธความมีอยู่ของกา ร, รมทั้งดีทั้งชั่วปฏิเสธผลที่เกิดขึ้นในชีวิตและปฏิเสธ สรรพสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีงามซึ่งพระพุทธเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระหันได้ทรงแสดงเอาไว้แต่คนบางพวกก็กล้าปฏิเสธแม้แต่สัรพยุตยานความคิดความเห็นเช่นนี้จะเหมือนจุดไฟเพียงเล็กๆแต่จะลุกลามไหม้ไปโดยลำดับดังกล่าวนั่นคือการหยุดตัวเองเอาไว้ให้กลายเป็นหลักตอนในวัฏฏะดังนั้นผู้มีปัญญาพิจารณาให้มองเห็นทั้งโดยคุณและโดยโทษ ที่ตนสามารถจะเรียนรู้จากไฟในกรณีนี้ตัวเป็นตัวอย่างที่เรียนในในแง่ของความเป็นโทษก็มองให้เห็นโดยความเป็นโทษและเทียบเคียงอุปมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนำมาเทียบเคียงกับพฤติกรรมความคิดความเห็นของตนแล้วสอดส่องพินิษฐ์พิจารณาแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคของความสงบความสะอาดความประณีตในด้านจิตใจ ปรับแนวชีวิตของตนให้เดินไปในคัรลองแห่งสมาธิติและผลคือความภัยบุญเจริญงอกงามในธรรมอันพระผู้มีพระภาคยาาทรงแสดงแล้วก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การศึกษาตามสมควรแก่การปฏิบัติและตามสมควรแก่ผลอันตนได้สัมผัสแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป